เพงพากันตั้งอกตั้งใจทำอะไรนี่มันต้องตั้งใจมันจึงสำเร็จรุ่ร่วงไปได้เราทำอะไรลงไปทำไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่ <c oughs> เพราะว่าอุปสรรคมันยอ่อมมีอุปสรรคนี่แหละทำให้ คนเรานั่นเป็นคนดีได้หรือเป็นคนชั่วได้ได้ทั้งสองทางถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปได้ก็เป็นผู้ดีได้มีสติมีปัญญาถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปไม่ได้ก็ถอยหลังเข้าครองกลายเป็นคนเลวไป อ, อเป็นอย่างนั้นพระบรมศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนะนะ พระองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่น่นู่นตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนะั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆเอาให้ลุล่วงไปจนได้ไม่อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ดเหนื่อยแต่อย่างได ในเมื่อมองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทำไปเลยแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีปาถนาเป็นพุทธเจ้านั่นท่านทำความดีอะไรอะไรท่านก็มุ่งให้ได้สาเร็จสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งลาบยศสันละเสริญในความสุขใ ด, ดในโลกอันหมดนั้นท่านตัดออกไปหมดเลยรวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่พระองค์ตั้งใจลงมาอย่างนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ทุนนะ เพราะฉะนั้นพระบารมีก็จึงค่อยแก่กล้าแล้วก็จึงเต็มบริบูรณ์ <c oughs> ถ้าว่าพระองค์ไม่ตั้งพระไทยให้หนักแน่นลงไปอย่างว่านี่แล้วพระบารมีธรรมก็จะไม่เต็มง่ายเลย <c oughs> แต่พระโทธิสัตว์บางท่านบางคนเมื่อสร้างบารมีไปไป เกิดท้อใจขึ้นมาแล้วใจอ่อนแอเมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ตนเกิดขึ้นในยุคนั้นนะ่ะก็ข้าพระองค์นี่ปรารถนาเพ็ญพระพุทธเจ้ามาแล้วแล้วนานสักเท่าไหร่บารมีของข้าพระองค์นี้ถึงจะเต็มได้ พระพุทธเจ้าเล็งยานดูแล้วก็ตรัสบอกว่ายังเท่านั้นกลับเท่านี้กลับถึงจะเต็มได้อย่างนี้ใจเกิดท้อถอยขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะสร้างบา ร, รมีไปให้นานถึงปานนั้นได้ก็เลยอธิษฐานใจกลับมาบำเพ็ญสาวุกบา ร, รมีเอา มาเจริญศีลสมาธิปัญญาไปบางทีท่านก็ได้สำเร็จอรหันในชาตินั้นไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละไม่ว่าใครๆแหละการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันิบาตอันนี้เนะมื่อมามองดูชีวิตอันนี้แล้วเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความยุ่งยาก เต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องนา น, นาประการคําว่าอุปสรรคนั่นเน่ยถ้าว่าตรงๆก็ได้แก่ความทุกข์นั่นเองหลยเอาทําอะไรลงไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเลยอย่างนี่เอาก็มานั่งปรับทุกข์กับตัวเองแล้วโอ้ยเราทําอย่างนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่ทุกข์เป่าๆเหรอ ทำการค้าขายไปก็ขาดทุนย่อยยับมูนี่หรือทำนาทำสวนเอาเกิดแรงเกิดแห้งขึ้นมาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยหรือปลูกพืชอะไรลงไปในพื้นดินลงไปแล้วก็มีสัตว์มากัดกินเป็นอาหารไปเสียหมด ก็ไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็เมตหน่วยเลยอย่างงี้เมื่อนี้คําว่าอุปสรรคของชีวิตนนะ่ะอันนั้นเรียกว่าอุปสรรคภายนอกมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ่ะเพราะชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ถ้าขาดปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงเสียมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลย เส่นขาดอาหารนี่สำคัญมากทีเดียวะร่างกายอันนี้เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นมีอาหารถ้าขาดผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ได้อีกแหละมีอาหารมีผ้านุ่งผ้าหม่มเอาขาดอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลับนอนป้องกันฝน ล, ลมแดด สัตว์ที่มีพิษต่างๆเหมือนนี่นะขาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงนีปขาดยุกยาก็ไม่ได้อีกโรคบางอย่างนั้นถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มี ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของชีวิตนี่มันจะขาดไม่ได้เลยต่างแต่ว่าบางคนก็รู้จักประมาณอย่างนี้แหละเช่อนอย่างมาประพฤติพรหมจารย์เป็นนักบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดทอนความอยาก ในปัจจัยสี่นั่นให้น้อยลงไปเช่นอาหารเราก็ฉันหรือว่ารับประทานเพียงวันละมือ้อหรือว่าวันละคาบเท่านั้นก็พอประทังชีวิตอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งนี่สำหรับผู้ครองเรือนแล้วไม่ไหวจะไปทานมื้อเดียวอ่ะไม่ไหว อ้างว่าทําการงานหนักเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วไปไม่ไหวนีเออ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีภาระอันเบาไม่หนักเหมือนผู้คลองเรือนเป็นนักบวชถ้าว่าไปบริโภคอาหารมากๆเหมือนอย่างชาวบ้านนั่นก็เป็นนักบวชไปไม่ได้เพราะว่า เป็นนักบวชนี่มันมีวินัยห้ามไม่ได้ให้ทำการค้าการขายไม่ได้ทำไรไถนาอะไรเลยดังนั้นนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบลงพระองค์พาะพุทธบริษัททั้งหลายดำเนินมาเลยทีเดียวแหละพระองค์เลยเป็นตัวอย่างองค์วระชันมือเดียววันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้เลย แล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามมีตามได้ไม่ได้ขนขวายอะไรมากมายสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วนะมีคนมีศรัทธาเขาสร้างถวายพระองค์ก็อยู่ไปส่วนมากนั่นก็อยู่ในระหว่างพันษานี่แหละก้าออกพันษาแล้วส่วนมากก็พราภาษาบอก ทั้งหลายเที่ยวจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ อ, อาศัยอยู่ตามลูกขมูลล่มไม้นั่นแหละเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์และพระสาวกทั้งหลายแตในครั้งนั้นนะวันนี้ชาวบ้านรู้ข่าวเข้าพากันออกไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมก็นั่งพื้นดินนั่นแหละฟังธรรมอ่ะ ให้จะไปสร้างเสนาสะนะต้อนรับไว้ทันกับเวลาอย่างนั้นไม่มีเพรานั้นจึงปรากฏในตำรานั้นว่ามีแม่ลูกอ่อนคอนหนึ่งเอาลูกยังเล็กอยู่นี่นะติดไปด้วยไปฟังเทศพระพุทธเจ้าไปแล้ววันนี้ก็ไปผูกเปลใส่จอมปลวกนั่นหลังจอมปลวกนั้นเอาลูกนอนอยู่บนเปลนั้น ลูกมันก็นอนหลับไปแม่ก็นั่งฟังทำไปในทันใดนั้นงูเหา่าตัวหนึงอยู่ในพงจอมปลวกนั้นเลื้อยออกมามากัดเอาเด็กนั้นร้องกรี๊กเท่านั้นแล้วเด็กนั้นก็สลบไปเลยฝ่ายแม่นั้นรู้ว่างูกัดลูกแทนที่จักกวีกวัดไปอุ้มเอารูกมารักษาพยาบาลไม่เลย นั่งฟังเทศเฉยเมื่อพระองค์เจ้าแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาปติผลเมื่อปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุธพะทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วก็จึงได้ลุกไปอุ้มเอาลูกนั่นมาแล้ว <c oughs> ม, มาอธิษฐานถึงบุญบารมีกุศลความดีอะไรที่ตนกระทำมา หากมีจริงขอให้พิษงูนี่จงหายออกไปจากร่างกายลูกของเราในบัดนี้อธิฐานแล้วก็เอามือลูกตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้านุ้นพิษงูก็ออกไปจากร่างกายของลูกหญิงคนนั้นจนหมดเด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาได้นี่แสดงว่า พระศราสดาทรงโปรดไปอยู่ในป่าอย่างอยู่แบบง่ายๆจริงๆนั่นแหละว่าเอาใบไม้รองผ้ า, าปูนั่งผ้านอนลงไปแล้วก็ น, นั่งก็นอนตามพื้นดินนั้นไปอันนี้มันก็น่าคิดอยู่พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์ เมื่อเราคิดถึงประวัติความเป็นมาของพระองค์บ่อยๆก็ทำให้เรานั่นเป็นผู้มักน้อยสันโดษเข้าไปเพราะในฐานะที่เราเลื่อมใสเราถึงได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระศิเจา้าหรือมาบวชเรียนเขียนอ่านในวัดวาสศาสนานี้ และอย่างนี้แหละปฏิปทาในพุทธศาสนานี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั่นแหละคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยนี่หมายความว่าชอบอยากจะให้กิเลสตัณหาบาปธรรมมันน้อยไปจากจิตใจเลื่อยไปไม่อยากสะสมกิเลสบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในใจิตใจ คำว่ า, าสันโดษนั้นยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็หมายถึงปัจจัยสี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้บางคนก็ตีความหมายผิดไปเอ้าถ้าไปให้ยินดีกับสมบัติที่มีอยู่แล้วนั้นไม่หามาเพิ่มเติมอีกมันก็อดสเพะะอ่ะ น, นี่มันตีความหมายผิดไปอะนน ความจริงไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าเมื่อเราสวงหาทรัพสมบัติเข้าของอันไดได้มามากเท่าใดน้อยเท่าใดแล้วเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้นั้นไม่เพ่งเล็งทะเยอทะยานอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันจัดเป็นความโลภนี่แหละคำว่า รือสันโดษยินดีตามมีตามได้นันมีความหมายอย่างนี้ไม่ควรที่จะเข้าใจผิดไปคนเรานะถ้าไม่ทำการทำงานแล้วมันก็ไม่มีจะกินแหละไม่ว่าใคร่ะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยแม่นักบวชเนี่ยบวชเข้ามารลกขี่คลานไปบินทบาทอย่างนี้นะ แล้วชาวบ้านเขาจะเอาเวลาไหนก่อนขวายจัดอาหารการชั้นมาเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะชาวบ้านเขาก็ยุ่งยากในการทำการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพทุลุมูลวุ่นวายยิ่งกว่าน้าปวดหลายเท่าเลยดังนั้นพระศาสดาจึงได้พาพระสาวกสเสด็จบินธบาตเป็นกิจวัตรเลย ข้อที่ว่าที่ทรงสั่งสอนให้ทำตัวให้เขาเลี่ยงง่ายนั่ น, น, นแหละเป็นคุณธรรมมันสำคัญอันหนึ่งอันนี้นะก็หมายความว่าเราเดินมินทบาทไปตามกรอกตามซอยถนนหนทางอันที่มีหมู่บ้านเรียงลายกันอยู่ใครเขามีศรัทธาเขากดเตรียมจัดข้าวอาหารอะไรมาใส่บาตรให้ มันก็ง่ายขึ้นหน่อยเรียกว่าไปอยู่ใกล้บ้านเขาเลยอย่างนั้นใครไม่มีศรัทธาก็แล้วไปนี่เรียกว่าทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาใส่บาตรให้ได้เท่าไรเราก็มาพิจารณาบริโภคคบฉันเท่านั้นถ้าหาว่าผู้ใดได้มากหน่อยนั้นก็จะเฉลี่ยแบ่งปันให้เพื่อนที่ได้บินอาหารวินทบาทน้อยนั้น อันนี้หมายถึงบางแห่งบางที่ไม่มีโรงครัูเลยแล้วก็ต่างคนต่างไปบินถบาทมาอย่างนี้นะเมื่อมารวมกันฉันแล้วอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันเนะี่ยใครได้น้อยผู้ได้มากก็ต้องเฉลี่ยให้ผู้ได้น้อยนั้นให้ได้ครบได้ฉันเหมือนกันอันนี้เป็นคุณธรรมของนักบวชถ้านักบวช เราได้หากไม่ประพฤติอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนักวัวเหล่านั้นย่อมเจริญไปไม่ได้เลยย่อมสมัรสมานสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันเลยบ้านใกล้ถัดเรือนเคียงกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ไม่เหลียวแลกันเลยใครจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่เดียวแลกกันอย่างนี้นะ มันก็จะไปสามคัคคีกันได้อย่างไรอ่ะเวลาฝ่ายหนึ่งเก็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่กวีก้าวาดไม่ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวอะไรอย่างนี้นะมันก็สามคัคคีกันไปไม่ได้แล้วก็แตกสามคัคคีกันแหละหรือว่าใครตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรผู้ที่มีฐานะดีก็ไม่เดียวแล ถึงจะเป็นญาติกันก็ตามอย่างนี้นะมันก็เป็นญาติกันยืดเยื้อไปไม่ได้เลยบรรดาชาวบ้านทั้งหลายแต่เพื่อนบ้านใกล้ถัดด้าเลี้ยงกันก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ได้เกิดในวงตระกูลเดียวกันก็ตามถ้าหากว่าเราถือทำเป็นใหญ่แล้วเราต้องดูแลกันต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันดีกว่าเป็นศัตรูกัน นี่เราถือธรรมเป็นใหญ่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถือโลกเป็นใหญ่หรือว่าถือกิเลสเป็นใหญ่แล้วมันก็นําเอาลัทธิเห็นแก่ตัวนั่นแหละเขามาใช้ต่อกันเลยแบบนี้นะตัวใครตัวมันไปอย่างนั้นนะอันนั้นไม่เป็นธรรมเลยพระศาสดาไม่ทรงสั่งสอนเลยแบบนั้นนะเราต้องเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันแม่ในวัดวาอาราม อันนี้เนี่ยภิกษุสามเณรทา ย, ยกทายกายอยู่ด้วยกันมั่งมั่นี่นะใครรู้ว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวกันเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเมื่อทราบแล้วก็ไปบอกท่านผู้ปกครองหมู่คณะให้ทราบอืเช่นนี้เมื่อท่านทราบแล้วท่านก็จะได้หาทางช่วยเหลือ ยิโยยากันไปพอนําไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลถ้าพอช่วยเหลือแก้ไขกันอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละเราจึงอยู่รวมกันได้เป็นหมู่เป็นคณะปรองดองสามัคคีรักใคร่นับถือกันและกันเมื่อเราปรองดองสามัคคีกันได้อย่างนี้แล้ว การปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คร่องแคล่วเลยต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมาตรีจิตคิดให้ผู้อยู่ใกล้ชคดกันนี่เป็นสุขทุกทวนหน้าไปเลยไม่คิดลำเอียงว่ายินดีกับคนโน้นเกลียดคนนี้ไม่ไม่ใช้ความลำเอียงอย่างนั้น ถ้าไปลำเอียงอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ <c oughs> นี่ก็ให้พึ่งพาการเข้าใจไว้นี่หละคุณธรรมคำสอนของพระุทธเจ้านะถ้าหาว่าคนหมู่ใดเราได้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วคนหมู่นั้นเหล่านั้นย่อมอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ แม้จะอยู่มากด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างสงบระงับทีเดียวแหละใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทาหน้าที่ของตนไปผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเราเรียนเช่นผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ตั้งอกตั้งใจท่องบนจดจำเอาลักสูตรแห่งพระธรรมวนไยให้มันเต็มความสามารถของตนแหละ จํางเอาให้ได้ไม่ใช่ว่าเราบวชมาพอแต่ตามประเพณีเฉยๆบางคนก็คิดว่าบวชมาให้พ่อให้แม่เหรอวะไม่ทราบว่าบวชให้แบบไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายเลยเพียงแต่ว่าได้บวชเข้ามาแล้วก็ชื่อว่าบวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้ก็มีอคําว่าบวชให้พ่อแม่มันก็มีความหมายอย่างลึกซึ้งนี้่ ถ้าเราบวชเพื่อจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จริงๆนะบวชแล้วก็ต้องตั้ง อ, อกตั้งใจเรียนทมวินยัยแล้วสำรวมตนตามทมวินัยนั้นด้วยดีไม่ล่วงทำล่วงวินยัยรักษาตนให้ตั้งอยู่ในความสงบด้วยดีขยันมันเพียรทำข้อวัดปฏิบัติไม่เกียจคร้านตามระเบียบของวัดเช่นตื่นดึกลุกเช้าให้ทันเวลา ทำกิ จ, จวัตรเช่นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมหมู่อย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานใจลงไปพายายามอย่าให้ขาด อ, อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการบวชมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลแล้วเราก็จะอุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่มารดาบิดาเพื่อตอบบุญแทนคุณท่าน วายมารดาบิดาเมื่อเห็นลูกของตนนั้นประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินยัยตั้งอยู่ในความสงบไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ดีอกีใจหลายแม่ว่าลูกนั้นจะประมาทพลาดพังตนมาแต่ก่อนบวชพ่อแม่ก็ยอมยกโทษให้เลยเรียก ว, ว่าให้อภัย อนี่แหละเรียกว่าเราบวชมาเพื่ อ, อตอบบุญแทนคุณท่านค่าข้าวพรและน้ำนมเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านต้องระลึกไว้เสมอ <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงตัสว่า <c oughs> การบวชนี่แหละเป็นการใช้หนี้บุญคุณค่าข้าวพรและน้ำนมจากมารดาบิดาได้เป็นเป็นอย่างดี ตัวการตอบบุญแทนคุณโดยวิธีอย่างอื่น uh huh. เช่นอย่างคู่ครองเลือนอย่างนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <c oughs> ด้วยปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก็ยังสู้ผู้บวชเข้ามาแล้วพอพฤษภมาจันทร์ให้เป็นไปด้วยดีไม่ได้ uh huh. พราะว่าผู้บวชเข้ามาเนี่ยเมื่อทําดีแล้วได้บุญกุศลหลาย <c oughs> แล้วก็ชักจูงมารดาบิดาให้เข้าวัดฟังธรรมจำําศีลได้แนะนําให้มารดาบิดาละความเห็นผิดตั้งอยู่ในความเห็นถูกได้ถ้าหากว่าบวชไป น, นันอาไปนะมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินยัยนี่ก็สามารถเปลื้องความเห็นผิดของมารดาบิดาได้ มารดาบิดาได้เห็นถูกได้ปฏิบัติถูกได้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไปเพราะฉะนั้นนะจึงว่าการบวชนี่จึงเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่าการตอบบุญแทนคุณอย่างอื่นเพราะเพียงแต่ไปอตอบบุญแทนคุณด้วยให้ข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยอยุกยาแก้โกครคภัยไข้เจ็บ เท่านั้นน่ะมันก็ช่วยได้แต่เพียงไอ้ชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ช่วยไม่ได้ทางจิตใจไม่สามารถจะไปสั่งสอนพ่อแม่ให้ละชั่วทำดีได้อย่างนี้ไม่ไอ้ลูกที่อยู่คลองเรือนจะไปสอนพ่อสอนแม่นั้นพ่อแม่ไม่ยอมเชื่อหรอกเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าลูกคนใดได้เข้ามาบวชแล้วอย่างนี้ ได้ศึกษาเราเรียนท ร, รมวินัยประพฤติดีจนว่าทำให้พ่อแม่ยินดีเคารพนับถือได้แล้วไอ้ลูกคู่นั้นไปสั่งสอนพ่อแม่นี่พ่อแม่ย่อมฟังน ะ, อ, ะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีการบวชในพระพุทธศาสนานี่นะมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็เพื่อชำระ กิเลสบาปธรรมให้วาวางออกไปจากกิตใจของตนอย่างที่สองก็เพื่อตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาหรือว่าลุงป้านาอาวงศาคณาญาติตลอดถึงทายกไทยกาผู้อุปถัมบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่ถ้าว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบ ตั้งอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีบุญกุศลย่อมเจริญขึ้นมากเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็แบ่งบุญนี่แหละให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเช่นนั้นมันก็จึงเรียกว่าบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณห ร, รือว่าบวชมาให้มารดาบิดานั้นสมอยู่ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วคําว่าบวชให้มารดาบิดาไม่มีความหมายอะไรเลยแม้แต่ให้ตัวเองก็ไม่ได้ แต่แม่ตนจะสร้างอาบุนกุศลให้แก่ตนของตนนี้ก็ยังไม่ได้<ะ>ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงต่อทมวินยัยไม่ตั้งใจศึกษาเรียนท่องบนจดจาเอาคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้นะย่อมเป็นไปไม่ได้เลย<ะ>เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ การภาวนานี่ก็คงจะพากันเข้าใจแล้วได้มาอบรมเป็นนาคอยู่แล้วึกขัดกันมาแล้วพอสมควรทีเดียวอะ่ะนี่เพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปด้วยความไม่ประมาทขอจบลงเพียงเท่านี้